พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13มิถุนายน2557อมีช่อเรื่องว่าให้ยึดปฏิปทาตอนหลวงปู่หลวงตาท่านเป็นหนุ่ม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อให้ศรัทธาญาติโยมพระไปพัฒนาฝากฝังทางนู้นน่ะเป็นป่าแขมป่าเลาป่า อ, อ้อเนื้อที่ประมาณเจ็ดแปดไร่เอาเมคโคไปเอาออกอยาที่ไม่เกิดประโยชน์ เมื่อวานก็เลยให้ท่านหน่อยพาจัทธาญาติโยมไปปลูกต้นไม้พวกประดูมักฆ่าตะเคียนทองไม้ยางหลวงพ่อเน้นตะเคียนทองกับไม้ยางเพราะมันอยู่ใกล้น้ำอย่าไปลงไม้สักนะปลูกเมื่อวานโยมตูกขาบอกว่าคงจะถึงสองพันอยู่มั่ง 2 0 0พันกว่าต้นสองพันกว่ากล้าเนี่ยในวัดของเราหลวงพ่อก็ปลูกเรื่อยๆเหมือนกันนะไม้อยากจะให้มันเป็นป่าดงพงไพยแต่เมื่อวานกับพอปลูกเสร็จแล้วหลวงพ่อเมื่อคืนยังมาถามอาจารย์หน่อยบเอ้ยฝนไม่ตกหลายวันจะทำยังไงจะไม่ได้รดน้ำเหรอหน่อยบอกว่าคงจะได้ ใช้เครื่องสูบแล้วลงพอ่ออีกรอไปสักสองสามวันก่อนแต่เมื่อคืนเนี่ยคงได้ยินถึงหูพยาแทนมั่งท่านอยู่บนฟ้าเนี่ยก็เลยโปรยฝนมาให้เมื่อคืนเนี่ยเออเข้าท่าว่ะไม่ต้องสูบน้ำยากได้ฝนขนาดเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ถึงกะแลงนะไม่ถึงกระเสียหายพวกทหารเขาคงจะขุดสะได้แต่ทหารกระวนจะเสร็จแล้วละ่ะ มันไม่ใช่ขุดลอกคลองลอกสะเก่าของหลวงตาที่ท่านขุดไว้ให้เราพอหลงตาจากไปสะข้อแห้งสะน้ำข้อแห้งขอดแต่ก่อนนกเป็ดลงเป็นพันๆแต่พอลงตาจากไปที่สองปีมานนี่รู้สึกคนน้ําแห้งขอดเลยก็ฝนไม่ดีต่างหากก็เลยเราจะถมหรือก็อเป็นฝีมือของหลวงตา จะเกิดประโยชน์ก็เลยเอ้าขุดลงไปให้ลึกก็เลยขุดลงไปดูแล้วก็กว้างขวางเนื้อที่ประมาณสิไร่นะสากตัวนี้นะไม่ใช่แคบนะแล้วก็เมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยปรับภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะปลูกพวกประดูมักข่าแต่เคียนทองไม้ยางไม้สักปลูกไม้สักได้ตัวนี้เพราะมันอยู่ที่เนิน ปลูกกันดีแหละปลูกไม้สักรอบๆแต่หลวงพ่อเองก็บอกว่าไม่ควรจะปลูกไม้ที่กินไม่ได้คือประดูมะข่าตะเกียนทองก็เกิดประโยชน์แต่ว่าควรจะปลูกพวกไซพวกขนุนพวกสมโพู่พว ก, กนน พ, วกพวกนี้แหละน่าจะปลูกสลับสลับกันไปบ้างเพราะว่าเป็นอาหารของ กรอกกระแตพวกอาหารของนกเราเนี่ยมีแต่อาหารอยู่ในบาตก็ เ, เพียงพอแต่พวกเขาเกิดมาได้ทำยังไงพวกเราก็ต้องมองมองดูสรรพสัตว์ด้วยถ้าปลูกกระงจะปลูกไม้พวกต้นไทรต้นอะไรสลับสลับกันป่าใหม่เนี่ยก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ถ้ามีต้นไทรก็น่าจะเพาต้นไทรไปลงบ้างสลับห่าง แต่ปลูกมากไปไหนใส่มันอาศัยคนอื่นมันพันคนอื่นถ้าไปใกล้ไม้ใหญ่ทนี่กันนะ่นลัดไม้ต้นใหญ่ตายหมดก็ไม่ควรจะปลูกมากแต่ถ้ามันอยู่ใกล้คนก็ไม่ควรจะปลูกเหมือนกันนะใส่นะเพราะเหตุไรคว่าใส่คานี้ล่ะลากของมนะันซอนใส่ไปเข้าไปฐานศาลาแต่ฐานห้องน้ำฐานกุฏิ พังไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงห้องน้ําที่มันชื้นชื้นมันจะซ้อนไซเข้าไปในพื้นในขนาะดเข้าไปในหัวส้วมนะโอ้ปัญหาไม่รู้จักจบเลยตน้นไทเอันนีก้การปลูกต้นไม้เราก็ต้องคิดเหมือนกันนะคิดดูให้รอบครอบไม่ใชว่าหลับหูหลับตาปลูกโดยเฉพาะอย่างยิยงตน้นโพนะอ่โพพระพุทธเจ้าโพสีโพอินเดีย ก่อนที่จะปลูกต้องคิดให้ดีซะก่อนเราจะปลูกที่ตรงไหนไมีใจคิดได้คิดปลูกนะถ้าปลูกขึ้นมาแล้วถ้าต้นโพเกิดก่อนเสนาชนะเกิดทีหลังท่านห้ามห้ามตัดโพเพราะโพเป็นโพพระพุทธ้าวห้ามตัดโพต้องรื้อกุฏิต้องรือ้อศาลาอันนี้เกิดมาทีหลังแต่ถ้า บ้านของเราเกิดก่อนเสนาชนะของเราเกิดก่อนโพเกิดที่หลังแทนบอกให้ย้ายโพเพราะพอโพเกิดที่หลังโพไม่ได้ปลูกมันเกิดมาเองอันนั้นย้ายได้อันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอน ฟ, ฟังฟังดูแล้วก็เป็นธรรมหลวงพ่อว่านะนี่ะคือการปลูกต้นไม้ แต่ก็พร้อมกันเนี่ยคุณอ่อย ห, อหลานนายสามาวันนี้จังหันแต่ลูกพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับวัดใหม่เหมือนกันนะได้ไประชุมหารือกับพระในวัดของหลวงพ่อองค์ไหนที่จะไปอยู่เป็นปฐมเมริกหรือไปอยู่เป็นประเดิมเพราะเนื้อที่ก็ปรับสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยังเหลือแต่เสนาชนะเสนาชนะพระสงฆ์าการที่พระสงฆ์จะไปอยู่ก็ต้องมีเสนาชนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้จำพรรษาในเต็นท์ในโพรงไม้ในตุ่มฮะแล้วก็หลายหลยอย่างคือท่านให้มีที่มุงที่บงังให้ข้าว่าเป็นที่ปลอดภยัย พอสมควรมีหลังคามีประตูมีฝาที่จะจำพรรษาไม่ให้จําพรรษาในโพกไม้ไม่ให้จํารจพรรษาในตุ่มดินเผาตำเป็นตุ่มใหญ่และกัครอบก็คือความไม่ปลอดภัยในพรรษาในเมื่อตุ่มแตกแล้วพรรษาจะทํำยังไงพรรษาก็ต้องหนีพรรษาอีกเพราะนั้นพระที่จะจําพรรษาเสนาชนะต้อง ปลอดภัยอันนี้ก็คือในหลักพระธรรมวินัยที่ท่านบัญญัติไว้อันนี้เราก็คิดว่าทําแบบเรียบง่ายทุกวันนี้มีวัตถุวัดสดุที่เราจะต้องทามันมีมากหลายหลายอย่างที่ทำง่ายๆแต่จะมีคนทาหรือท่านั้นอะ่ะอันนี้ของพ่อก็ได้ไประชุมหาลือกับพระสงฆ์อย่างน้อยต้องห้ารูปนะ แล้วก็ถ้ามีพระใหม่พอพระใหม่ก็บวชเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นเอาพระใหม่ไปทดลองดูสักสององค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอยู่ด้วยอาจจะเป็นเจ็ดองค์หลวงพ่อก็ได้หารือกับพระแต่ก็คงจะมอบให้ท่านรัตน์เป็นหัวหน้า แล้ว ก, การที่จะไปเป็นหัวหน้าก็คงจะไปวางแผนกันก่อนอาจจะให้พระในวัดพระผู้ใหญ่ไปช่วยๆกันดูว่าการบิณทบาทครั้งแรกเนี่ยเราจะไปสายไหนบ้างก็คงจะเอาคนในท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันองปตเข้ามาปรึกษากันแล้วพระจะไปบิณทบาทสายไหนศรัทธาญาติโยม สายไหนกลุ่มไหนมากพอเราเข้าไปใหม่ก็เราก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมเป็นผู้พานาคนในท้องถิ่นเขาพาเดินไปวินทบาทเสร็จแล้วเราก็ยังค่อยวางกดระเบียบในชุมชนก็ชุมชนใหม่เราก็ต้องรีบวางรละเบียบประกฎระเบียบของเราเ น, นี่ยึะตตามแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเราเนะี่ยอย่างวัดของเราเนะี่ยทำยังไงปินฑบาตยังไงมาฉันยังไงแจกอาหารกันอย่างไรจากนั้นก็ภาวนาอยู่ในความสงบอย่างไรอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของหลวงตาเพราะว่าอย่างวัดของเราหลวงพ่อเข้าไปอยู่ในวัดของหลวงตา หลวงตา ย, ยังหนุ่มแน่นหลวงตา ย, ยังเป็นพระอายุยังไม่มากท่านยังเข้มงวดกับพระทั้งหลายวิธีการปฏิบัติท่านพาดําเนินอย่างไรหลวงพ่อเข้าไปในช่วงที่ท่านมีกําลังวังชาแข็งแรงพร้อมที่จะดุด่าว่ากล่าวให้พระในหลวงพ่อมายึดตามแนวของดวงตาเบื้องต้น พอต่อมาหลงตาอายุมากอายุแปดสบเก้าสิปีท่านก็ต้องปล่อยวางเป็นธรรมดาฮสุดท้ายถ้านก็บินท่าบาทไม่ได้ท่านไม่บินท่าบาทเมื่อไปบินท่าบาทเราจะไปยึดเ อ, อไม่ต้องบินท่าบาทก็ได้เออเอามาชันเลยโอ้สมัยท่านเป็นน่มเนะไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่บินท่าบาทก็ต้องไม่ชันเลยในวัดของท่าน วันนั้นจะไม่บินทบาตไม่ได้อย่าหลวงพ่อไปครั้งหนึ่งที่วัดป่าบ้านตาดบอกว่าวันนี้ทูลกระหม่อมจะเสด็จตอนเช้ า, าพระไม่ต้องบินทบาทบอกโอ้ไม่ได้ไม่ใช่ปฏิปทาของหลวงตาหลวงตาผู้ใดจะมาก็ตามาพระต้องบินทบาทบินทบาทชั้นเท่าก่อนผู้ใดท่านจะมาท่านก็ต้อง ถามสัก่อนว่าสะดวกเมื่อไรอย่างนั้นนี่ยพะวันนี้เป็นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราต้องยึดนะถ้าไม่ยึดเน่ยเลอะเทอะนะเลือเอเล่อนลางนะนะเพราะนั้นต้องบิณทบาตหลวงพ่อก็บอกว่าต้องบินทบาตเนยพระรุ่นเก่าผมเห็นด้วยเห็นด้วยต้องบินทบาทวันนั้นก็เล็ด บ, บินทบาตพอบินทบาตชั้นล้วก็ยังอีกเยอะแยะ ทุนกระหม่อมท่านจึงได้เฉลต์มาเวลา ย, ยังมีอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลที่เราพูดให้ฟังเนะีเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ว่าพ่อแม่ครูใบอาจารย์ของพวกเรารุ่นเก่าแก่นะท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องบินทบาทไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ฉันไปเรื่อยไม่ใช่บินทบาทเป็นวัดก่อนชันอาหารต้องบินทบาทด้วยอาศัย ปีแข่งอาศัยลำแข่งของตนเองก่อนอันนี้ก็คือท่านถือเป็นหลักจริงๆเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์สุดท้ายภายหลังอย่าทำแบบง่ายๆไม่ได้นะจะขี้เกียจบินฑบาทแล้วก็ฉันทุกวันไม่ได้ไม่ใช่แนวปฏิปทาถ้าว่าป่วยจริงๆอย่างหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านพูดว่าหลวงปู่มั่นอายุ8ปสปีท่านอยู่ที่บ้านน้องผือนาในา ต้องบินเทปั ท, ทุกวันเดินบิดเบาตดพอต่อมาท่านป่วยไม่สบายเดินไปพอไปถึงพ้นวัดท่านเดินไม่ไหวเขาก็มาใส่ที่วัดที่หน้าวัดจากนั้นท่านเดินลงมามาอยู่ที่หน้าศาลา เ, าเขาก็มาใส่บาตรที่หน้าศาลาจากนั้นก็ขึ้นศาลาถนะึงขนาดนั้นท่านเคารพในกิจวัตรในการ บิณฑบาตของท่านอันนี้คือหลวงปู่ล่าท่านพูดให้หลวงพ่อฟังนะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวว่าครูบาอาจารย์สายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเเรื่องการบิณฑบาตเป็นวัดการฉันต้องบิณฑบาตเจะก่อนก่อนฉันท่านถือเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญเป็นเรื่องที่ชีวิตจิตใจจริงๆของพระกรรมฐาน เพราะนั้นหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันท่านก็บินทบาตแต่องค์หลวงตาก่อนที่ท่านไม่บินทบาทท่านก็ให้เหตุผละท่านไม่ใช่ว่าจะหยุดแล้วกิไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่เราเข้าไปไปกราบองค์ท่านท่านบอกเออเราไม่ได้บินทบาทนะช่วงนี้น้าเนะ่ยท่านก็พูดให้ฟังนะเพราะว่าเราไปบินทบาทไปรับบาดมากๆ เป็นร้อยสอเทบาทถึงร้อยส0งครั้งนะ่ะไม่ไหวเรารับบาทเกิดเป็นร้อยครั้งในไม่ไหวเฮียบางคนเขาก็ใส่ Article. นมเป็นแผลกับน้ําเป็นแผลเพราะว่าเขาอยากจะให้พ่อก็ขวดหนึง่งแม่ก็ขวดหนึง่งปลลูก็ขวดหนึง่งยญายก็ขวดหนึง่งยายก็ขวดหนึ่งตาก็ขวดหนึ่งตัวเองก็ขวดหนึง่งพ่อบ้านก็ขวดหนึ่งลูกทุกคนก็ขวดหนึ่งคงจะนับเป็นขวดอย่างนั้นอ่ะ พอใส่เข้าบาดใส่บาทลงตาเข้าไปลงตาเนี่เอียงเลยงั้นเอียงพราะมันหนักแล้วแก่ไม่ได้คิดนคนใส่ก็อยากได้บุญเลยเไม่ได้คิดว่าลงตาเนี่แก่ฮท่านมาอู้ไม่ได้อพอบินทับบาทเข้าไปแล้วมันหน้ามืดท่านลุ่งตาทมันหน้ามืดเออมันจะล้มทับเขาเลยมันจะเซเข้าไปเลยเพราะนั้นเรา พิจารณาดูแล้วบวกลบคูณหารดูแล้วไม่ไปดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงวันตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปเดินยยงกลมไปเดินยยงกลมในทางจยงกลมของเราพอได้เวลาแล้วก็ภาค่อยมาบอกเราก็ค่อยออกเดินไปศาลาเพราะว่าเราไปบินท่าบาทไม่ไหวนี่อันนี้คือเหตุผลของท่านหลวงพ่อเข้าไปท่านก็พูดให้ฟังอย่างนี้ ที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่ อ, อนะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไประบอกรบกวนฐานอันนี้เราก็มาภาวนาเปลี่ยนอริยาบทถ้าเราจะพูดอีกแบบหนึงคือท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมคือทําเป็นที่สบายขององค์ท่านเดินยงกลมเปลี่ยนอริยาบทของท่านพราท่านไปอย่างนั้นรับไม่ไหวคนมะลุมมะตุ้มมะตุ้มมะลุม อายุของท่านกับป่าเข้าไป8 0 9 0แล้วนะแต่คิดว่าน่าจะ90นะ้แล้วลงตาไม่บินทาบาทเนะขาคงไม่กี่ปีจากนั้นท่านก็ให้ท่านพระอาจารย์สุดใจเอาบาทของท่านไปบินเาบาทแทนท่านท่านสุดใจก็เอาบาทลุงตาไปบินธทาบาทคนกระตักบาทกระตักบาทลงตาเดอ้อนะประกาศกันนะอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราที่ได้พูดให้ฟังนก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ว่าแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่านั้นรุ่นปู่รุ่นทวดของเรานั้นท่านปฏิบัติอย่างไรถ้าหลวงพ่อไม่ถ่ายทอดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังพวกเราก็คงจะมองแต่เห็นแต่หลวงพ่ อ, อ, อแล้วเกิดลงไปหาแถวแถว ทางหลังต่อไปแต่โดยมากมันไม่ใช่จะตรึงเียๆโดยมากมันหย่อนหย่อนยานไปอีกต่างหากถ้าว่าปฏิบัติตรึงขึ้นมาอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่โดยมากมันจ่อห ย, ย่อนจะมากกว่าเพราะนั้นเรื่องการอยู่การฉันนี่เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญ้ายอนในการฉันแล้วก็หมดกรรมฐาน อย่างที่หลวงปู่ล่าหรือคูบาอาจารย์ท่านพูดว่าโดยมากพระกรรมฐานเนี่ยจะอยู่ทางแถบอีสานเป็นส่วนมากอยู่ในที่กันดานง่ายง่อยู่ในที่กันด า, า, า น, นดาพระกรรมฐานจะเกิดในที่กันดานถ้าลงไปอยู่แถบภาคกลางหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ทองท่า น, นก็พูดให้ฟังหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มพ่อไปอยู่ทงางภาคกลางไมใหม่ก็ดี ยิดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไปอยู่ทางภาคกลางจิตใจไม่มั่นคงจริงๆต่อไปก็นะ่หย่อนยานลงไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดก็สันเพลนสันเพลนก็เหมือนทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่ามันสมบูรณ์อาหารสมบูรณ์การเป็นอยู่สมบูรณ์ เขาไม่อยากจะให้พระอดอยาก่พระฉันมือเดียวพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็หลวงพ่อหลวงปู่เจ้าขาในมนฉันของว่างก่อนเที่ยงเพื่อรักษาสุขภาพหน่อยนะเจ้าขาหลวงปู่็ไม่พูดผลในสูขเขาก็เอาพวกเข้าต้มแล้วก็ผลไม้ พี่อาหารเบาๆว่างๆฮะหลวงปู่หลวงตากับเมตตาฉันให้เขาก่อนเที่ยงฮะรอบที่สองฉันเพลฮะพูดง่ายๆแต่นี้ลูกศิษย์ลูกหาบริวารก็เห็นหลวงปู่ฉันเขาก็อยากเหมือนกันเขอก็ฉันพุทธิสูขก็เลยก็เลยกลายไปอีกฮ ะ, น ะ, น ะ, น ะ, นะลักษณะอย่างนั้นฮะอันนี้หลวงปู่ชิงทองหลวงปู่ลาที่ท่านพูดหลวงพ่อกับเป็นแต่ฟังนะสรุปแล้วก็คือทางภาคกลางเนี่ยสมบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทำให้พระเ น, เ น, นเลงไปได้ง่ายแต่อิสานไม่แล้วแต่เขาจะเลี้ยงเขาก็ยั ง, ย, งยากลำบากอยู่แล้วเพระอยู่ในป่ า, นะาจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเรื่องปัจจัยสี่เาขาจะไม่พูดให้กับพระไปให้ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้สรุปแล้วก็คือกรรมฐาน อยู่ในป่าอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ในที่กันดานกันดานด้วยปัจจัยสี่กันดานด้วยการเป็นอยู่แต่ว่าธรรมะในจิตใจนั้นท่านพยายามสอนธรรมะถ้าอยู่ในที่ผู้งเฟหงเหลือเฟือเหมือนกับต้นไม้นะ้ำปุ๋ยกัดกัดเงากัดโคลนมันมันตายมันไม่เจริญเหมือนกันนะมันต้องพอเหมาะพอดี แต่แห้งมากก็ไม่ได้ตายอีกเหมือนกันต้องใจพอลำไรลำไรเพราะงั้ น, นนะพออุ๋ยบ้างน้ำบ้างนะเดี๋ยวก็ขึ้นเองทีนี้นี่ก็เหมือนกันนะ่อย่างครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ล่าเนะี่ยเคยพูดหลวงตาของเราเนะี่ยให้แนวของหลวงปู่รุนน้องๆ น, น, นะท่านบอกว่ากรรมาฐานเนะี่ยอย่าไปส่งเสริมมันมากไปได้นะพระน้อยพระหนุมนะ อะไรกับของหลุหลุลาลาโอโออาอาเหมือนันเราใส่ปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้ขึ้นมาน่อยๆ อ, อยากจะให้มันงามโถมปุ๋ยใส่เข้าไปปุ๋ยกัดโคลนมันตายมดมท่านว่านอย่าไปส่งเสริมมากเกินไปเรื่องปัจจัยสี่มีแต่สอนให้ภาวนาให้เร่งความเพียร น, นั่นแหละต่อไปมันจะได้งอกเงยทั้งด้านจิตใจอันะนี้ก็คือหลวงตามหาบัวท่านบอกสอนหลวงปู่ล่า มาพิจารณาดูซิพวกเราพิจารณาดูหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วมีส่วนทีเดียวนะจึงได้นำแนวความคิดนั้นมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ในความหรูหราโออ่าฟู่ฟ้าทาจะเกิดไม่ใช่ น, ะ น, นั้นกิเลสจะเกิดปลูกฝังกิเลสโลภโกรงราคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคะนะ จะงอกเงยได้ดีปลูกเข้าไปหรืเจริญงอกงามเพราะะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาดูสิจริงไหมแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกให้พวกท่านทั้งหลายเชื่อนะเป็นแนวทางใช่ไหมหลวงพ่อเน่มั่นใจที่ครูบาอาจารย์พูดมานะั้นไม่ผิดหรอกให้มองตนเองไพนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันแต่ว่าการอยู่ป่าก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราอยู่ป่าจะไปทำลายป่าไม่ได้เราพยายามปลูกปากา่าให้ป่าเป็นดงขึ้นมามันเห็นแล้วมันชุ่มชื่นเบิกบานนะเห็นต้นไม้ไม่มีพิษมีภัยนะตดูดูแล้วมันโล่งๆไป ดูดูแล้วมันยังไงยังไงพวกนั้นขอให้พวกเราช่วยๆกันดูแลรักษาสนไม้ถ้าไม่จําเป็นต้องคิดดูซะ ก, ก่อนว่าการที่จะตัดต้นไม้แต่ละต้นเน่ยต้นไม้ตัว น, นี้มันเกิดมากี่ปีฮะเราตัดเพียงน้อยเดียวก็ลม้มลงแต่ก่อนจะมันจะเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่ถ้าเราไม่ต้องการในที่ร่มเราก็ไปอยู่ที่แจ้งก็ได้หรือว่าเอ อูที่วัดหลวงพ่ออีในต้นไม้เยอะเลยเราจะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ไม่มีต้นไม้ก็ได้มีวัดที่ไม่มีต้นไม้มีครูบาอาจารย์บางองค์เห็นต้นไม้เนี่ยไม่ถูกกันเลยเหมืนกัโค่นทั้งหมดเตียนไปหมดหลวงพ่อยังได้ยินอยู่เดี๋ยวนะี้มีครูบาอาจารย์ทั้งจังหวัดน้องคายกับต้นไม้ไม่ถูกกันเห็นต้นไม้เนี่ยโค่นหมดเป็นป่าโล่งเตียนไปหมดเยมีอยู่ นี่แหละท่านเราต้องการอย่างนั้นก็ได้เป็นไรไปหรือว่าต้องการต่อไปภายภาคหน้าเราไปสร้างวัดโอ้ยไม่ปลูกลต้นไม้มันลกหูโลภตานะเราจะขึ้นไปอยู่เหมือนท้องนาเ น, นี่แหละนะก็อยู่ได้แต่หลวงพ่อไม่ชอบนะหลงพ่อเนี่ชอบป่ารงพงไพ่ถ้าเห็นต้นไม้แล้วขารู้สึกว่าชุ่มชื่นในจิตใจพระพุทธเจ้าท่านกว่า ลุกขมูและเสนาสนังนิสัยยปปป ช, ชาตัทธเตยวชีวังอุตซาโฮกรานิโยเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าต้องอยู่ป่านะท่านให้อยู่ป่านะแต่ว่าที่แจ้งก็ได้ลอมฟังก็ได้ให้อยู่ในที่สงบสงัดนะแต่ว่าท่านให้อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ป่าอยู่ในป่าดงนะสำหรับเป็นแหล่งปฏิบัติจิต ภ, ภาวนานะ สำหรับผู้ภาวนาและต้องอยู่อย่างนีนะ้ลักษณะอย่างนั้นนเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศึกษาแนวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะดูสิเลยสมัยก่อนนะเราคิดคาดถึงไหมหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่อำเภอนาโยงถ้ำหลวงปู่มั่นที่น้ำตกจูงทองนะอยู่ในหน้าผานะสูงฉันยิ่งกว่าอะไร แต่ขนาดที่หลวงพ่อไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปได้นะสมัยก่อนหลวงพ่ออายุสาสิบกว่าปีมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำขุนป้องถ้ำจานป้องที่น้ําตกยุงทองนะที่เขามีตั้งศูนย์เดียวนี่เนะี่ยที่สวนป่าตลวงพ่อขึ้นไปโอโหขนาดนั้นอายุสามสิบปียังหักหักหักมันสูงมากๆเลยแต่ถ้าหลวงปู่ท่านขึ้นไปอยู่ได้อย่างไรเมื่อ เสือสางเสือหมีอะไรตั้งมีตั้งเยอะแยะสมัยนั้นน่ะนี่แหละแปลว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่เดนตายพูดง่ายๆจึงได้มาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ใช่อยู่กับหมอนนอนกับเสือขึ้นมาแล้วเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่นะลูกหลานนะท่านเดนตายจริงๆไปอยู่ในภูผาป่าไม้ภาวนาจนเชื่อมั่นในตนเองนะท่านจึงออกมา เพระนั้นขอให้พวกเรามองถึงเราจะมีความสุขยังไงก็ให้มองครูบาอาจารย์ไว้อันนี้เป็นแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรือเปล่านะนี่ให้เรานึกคิดอยู่เสมอพวกเราจึงไม่ลืมตัวนะถ้าเราไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นทวดของเราแล้วนะเราจะลืมตัวได้ไง่ายๆถ้าอะไรไม่ถูกใจน้อยนึงไม่ได้รับความสุขน้อยนึงไม่ได้อยู่ได้ฉันน้อยนึง ที่พักผ้าใส่ไม่ถูกใจน้อยนึงแบบเนื่องขุณเครืองในจิตในใจทกใจถ้าเรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกวาดใบไม้นอนปรากฏในพื้นดินอย่างหลวงพ่อนปรากฏในพื้นดินนั้มาอยู่ที่วัดปา่านาคําน้อยถ้าไม่เชื่อถามทู้ขาดูก็ได้เยเขายังไม่ตายถ้าว่าหลวงพ่อขี่อวดนะ ญาติโยมเห็นหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยเนี่ยปักกดอยู่ตรงไหนกวาดใบไม้นอนเอาเสือบูทับนอนถึงเกือบเป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ที่นี่นะหลวงพ่อกลัวที่สุดก็คือกลัวมแมลงปองกระตักขับ <c oughs> เวลานอนเนี่ยต้องเอามุ้งเม้นเข้าไปในใต้เสื่อนะกลางมุ้งต่ําๆแล้วก็เม้นเข้าไปเพื่อไม่ให้สัตว์เข้าไป กัดไปต่อยเราเพราะเหตุไรเพราะเราอยู่คนเดียวนะถ้า ง, งูกัดมแมลงตะขาบกัดนะเราจะไปหาใครเนยะเดินก็ไปหาหชาวบ้านโอ้โหไฟฉายกับผัริ่มดนะีเนาะแล้วจะตุดเทียนไปอยังงเพราะนั้นต้องรักษาตัวให้ดีที่สดุดไม่ให้มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาจริงๆเพราะเราอยู่ด้วยความรอบคอบนะนะนะสิ่งเหล่านีา้ที่พูดให้ฟังไม่ใช่หลวงพ่อขี้อวดนะ อวดไปเพื่ออะไรพะตัวเองทุกมาจนพอแรงนะก็ให้ถามดูก็ได้ศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ทุกยากลำบากอย่างไรขนาดถ้วยหม้อก็ยังไม่มียังไปยืมหม้อป่าช้านะที่ป่าช้าเห็นไหมนะคนนี้แถวนู้นเขาตายเขาก็เอาม่อโลบ้างเอาถ้วยบ้างถ้วยแตกๆไม่ช่วยถ้วยดนะีเอาให้ผีใช้แบงนั้นนะเอามาเลี้ยงผี ตอนี้เรามาอยู่ที่นี่กันนะไปเอาหม้อหูขาดนะมาแล้วก็มาขัดให้สะอาดข้างในเอาทรายขัดให้สะอาดนะเวลาบินทบาตมาแล้วก็นนีะ่อาหารที่มันเป็นผักเป็นพริกเป็นอะไรที่อุ่นซะก่อนหน่อไม้อะไรก็อุ่นซะก่อนให้มันเดือดจากแล้วอย่างค่อยมาแบ่งกันอยู่ด้วยกันสองสามองค์สมัยมาใหม่ๆนี่แหละ ความทุกยากลำบากที่มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาอยู่แบบหรูหราโอ้อานะลูกหลานนะออถ้าพูดบรรยายไปเดี๋ยวลูกหลานหิวอาหารไม่ได้ทานอาหารเนะต่อนนี่ไปรับพ่อในที่นี่นะ้า